พระธรรมเทศนาแผ่นที่87ดลำดับที่14โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่18พฤศจิกายน2558มีชื่อเรื่องว่ารูปธรรมก็ต้องทมนามธรรมก็ควรเข้าใจ วันนี้เป็นวันที่18พศจิกายนพุทธศักราช2558วันนี้เป็นวันพระขึ้น8ค่าเดือน12วันพระหน้าเป็นวันลอยกระทงเดือน12เพนวันนี้เป็นวันปฏิบัติธรรมของพวกเราอย่างทุกวันที่เป็นวันพระ8ค่ำ15ค่าพวกเราก็จะได้มา ร่วมกันปฏิบัติธรรมศรัทธาญาติโยมก็สมาทานศินห้าถึงจะไม่รับเป็นกิจจาลักษณะก็เป็นที่รู้กันว่าเป็นวันพระก็ควรจะสมาทานสินวิรัตเจตนาเป็นหลักการรักษาศินไม่ตำไม่จำเป็นจะต้องรับกับพระกูบาจารย์ทุกครั้งเพราะกูบาจารย์เป็นเพียงผู้นำเท่านั้นเองถ้านาไปแล้วถ้าเราไม่ปฏิบัติ มันก็เท่านั้นก็ไม่เป็นศินถ้าเมื่อเราไม่ให้ครูบาอาจารย์นำแต่เราเป็นผู้วิรัเจตนาใครเขาว่าวันนี้เป็นวันพระของข้าพเจ้าเป็นวันพระแปดคำ่ำข้าพเจ้าจะรักษาสินห้ า, าก็เป็นที่รู้อยู่แล้วศีลห้าคืออะไรข้าพเจ้ารักษาศีลอุโบสถในวันนี้ เพียงแค่นั้นล่ะข้าเจ้าจะรักษาวันหนึ่งกับคืนหนึ่งก็เป็นศีลแล้วนี่แหละอันนี้คือคือสมาทานศีลหรือวิรัตเจตนารักษาศีลเป็นศีลสมบูรณ์ไม่จำเป็นจะต้องมารับกับพระทุกครั้งแต่ถ้าว่าเมื่อเข้ามาเหตุพระสงฆ์กูบาอาจารย์พาเป็นผู้พานาเราก็ไม่ปฏิเสธก็รับ สมาทานศีลตามเพราะเหตุไรเพื่อให้ประสงค์ครูบาจารย์เป็นสักขีพยานส่วนหนึ่งเพื่อจะให้ความสัต์จริงของเราเนี่ยมีสัจจะเรื่มไความจริงจังและจริงใจเพราะครูบาจารย์เป็นสักขีพยานอันนี้ก็เราก็ควรจะเข้าใจทั้งสองทั้งสองอย่างทั้งสองระบบะทั้งสมาทานกับครูบาจารย์ด้วยครูบาจารย์เป็นผู้นําสมาทาน แล้วก็วิรัตเจตนาในตัวของพวกเราท่านทั้งหลายด้วยคาว่าผู้ที่รู้จักได้เรีย น, นไดเรียนไดศึกษาได้เข้าใจในหลักธรรมขับสอนของพุท ธ, ธะแล้วคำว่าศีลหรือวิรัติเจตนาพวกเราควรจะเข้าใจอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวาควรจะตั้งใจตั้งจิตอธิษฐานตั้งแต่ตื่นนอนแต่เช้าเมื่วันนี้เป็นวันพระของข้าไปจ่า เป็นวันแปดคำ่คำสิบห้าค่ำวันใดวันหนึ่งเราก็ตั้งวิรัตเจตนาตั้งนมโมตสสะพุทธโธธรรมโอ พ, าาพุทธังธรรมังสังขังสารนางคัจฉามิยจิปภูธไชจาพระธรรมผส์เป็นสาณะเป็นที่พึ่งจากนั้นก็ตั้งจิตให้อธิษฐานวิรัตเจตนาแล้วก็เป็นศีลทั้งวันทั้งวั น, ท, วนทั้งคืนตามที่เราได้ตั้งจิตอธิษฐานไว้หรือว่าเราเตั้ง ใจเอาไว้ว่าจะรักษาสินตั้งแต่บัดนี้ไปข้าพเจ้าจะมีสินห้าตลอดชีวิต น, นั่นก็เป็นสินตลอดชีวิตถ้าว่ามันขาดไปตัวไรตัวหนึ่งมันด่างมันพร้อยเราก็ตั้งจิตอธิษฐานเองไปทุกวันคือเราจะตั้งใจเราจะเป็นผู้มีสินห้าหรือสินอุโบสถแต่สำหรับสินอุโบสถนั้นผู้ที่สูงอายุแล้ว จะรักษาศีลอุโบสถนั้นถูกต้องเหมาะสมแต่คนธรรมดาน้อยหนุ่มอยู่ก็รักษาศีลอุโบสถเป็นครั้งคราวแปดวันแปดค่ำสิบห้าค่ำแต่รักษาศีลห้าเป็นพื้นฐานไว้นั่นแหละเป็นคนดีคนดีของพุทธศาสนาคือคนที่มีศีลห้าท่าว่าคนที่ไม่ดีคนที่ไม่มีศีลห้านะ่ปว่าไม่น่าไว้ใจบางทีอาจจะทาถล่มทำความชั่วได้ เมื่อเกิดกิเลสราคะโทสะโมหะโลภโกรดหลงขึ้นมาเมื่อไหร่ไม่น่าไว้ใจแต่ถ้าว่าเป็นผู้มีศีลอยู่แล้วศีนเป็นรั้วกั้นอยู่แล้วศีลเป็นรั้วกันว้ น, น, นถึงจะโมโลภโมโทสันขนาดราคะโทสะโมหะขนาดไหนต้ก็มีศีนเป็นรั้วกั้นเอาไว้อยู่จะไม่ทําความชั่วเพราะเป็นผู้มีศีนแต่ถ้าว่าเป็นผู้ไม่มีศีนแล้ว ไม่น่าไว้ใจพร้อมที่จะตาลับทำความชั่วเสียหายได้ทุกโอกาสในทุกเวลาเนี่แหละศินเนี่เป็นรั้วกันสําหรับพุทธศาสนิกชนสินของพระพุทธเจ้าเป็นสินคุ้มครองโลกมาตั้งแต่ดึกดำบรรตั้งแต่พระพุทธเจ้าไม่อุบัติขึ้นในโลกยังเป็นฤาษีชีภยัยในยุคเก่าแก่เขาก็มีสินห้า่ะเป็นสินคุ้มครองโลกมาแต่งแต่ดึกดาบรร เพราะ น, นั้นบรรพบุพ ร, ะะรุษชาติไทยของเราเห็นคุณค่าในศีลของพระพุทธเจ้าศีลของพระพุทธเจ้าคุ้มครองในที่รับทั้งใดที่แจง้งถ้าทําที่ไหนก็ผิดที่นั่นกฎหมายคุ้มครองได้แต่ในที่แจง้งแต่ในที่รับนะกฎหมายคุ้มครองไม่ได้ถ้าใครไม่เห็นถ้าการทําความชั่วเสียหายเกิดขึ้นถ้ากฎหมายถ้าไม่มีใครเห็นตั้อยู่ในที่มืด กฎหมายยังเข้าไม่ถึงแต่ศีลธรรมศีลของพระพุทธเจ้าท่านบอกว่ามันอยู่ในตัวของเราอยู่ในกายวาจาใจของผู้สมาทานถ้าว่าผู้ไรก็ตามสมาทานศีลห้าแล้วศีล น, นั้นคุ้มของทั้งในที่รับทั้งในที่แจง้งเหมือนกับไฟคือความชัว่วเหมือนกับไฟถ้าเราไฟของเราไปอยู่ในห้องในหับไม่มีใครเห็นเราจะร้อนไหม ถ้ามันมืดมืดเราอยู่คนเดียวเราจับมันร้อนไหมเราอยู่ในสถานที่ใดจับในที่สาธารณะคู่คนเห็นมากมากหรืกคนไม่เห็นเลยไฟก็ยัง ท, ทําตัวร้อนอย่างเก่านี้ก็เหมือนกันในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าถ้าว่าเราทาความชั่วแล้วจะทําในที่สาธารณะคนมากมาก ฆ่าคนขึ้นมาก็ผิดในที่รับไม่มีใครเห็นฆ่าคนมันก็ผิดอยู่นสถานที่ใดก็ผิดหมดเพราะทําความชั่วเพราะฉะนั้นความชั่วจะทําเสลยดีกว่าเพราะความชั่วเมื่อทําลงไปแล้วกรรมชั่วให้ผลความชั่วให้ผลตนเองนั่นแหละจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังอันนี้ให้ฟังเอาไว้อันนี้คือหลักธรรมคาสอนของพุท ธ, ธนะในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าที่เราได้ศึกษาเราดีดูแล้วบอกว่า ทำในธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าท่านว่ารรำที่มีอุปการะมากธรำที่มีอุปการะมากเรียกว่าเป็นพระคุณเรียว่าเป็นมีอุปการะเหนือกว่าธรรมทั้งหลายทั้งปวงนั่ว่าสติะระลึกละระลึกได้สัมปชัญญะคือความรู้ตัวสติคือความระลึกได้สัมปชัช ญ, ญะคือความรู้ตัว คำสองอย่างนี่แหละอยู่กับบุคคลใดแปลว่าคนนั้นเป็นผู้มีอุปการะมากเป็นผู้คุ้มครองเป็นผู้มีสติและสัมปะชัญญะอยู่กับตัวเองถ้าพวกเราคิดดูใหนดีสิพระพุทธเจ้าตรัสหนึ่งไม่มีสองเลยคำนี่ทำไมถึงว่าอย่างนั้นถ้าคนขาดสติละถ้าคนเป็นบ้าละไม่มีสัมปะชัญญะความรู้ตัวว่าข้าข้าจยเป็นใคร สติก็ไม่มีสัมปัชญะก็ไม่มีในบุคคลใดในกลุ่มพวกเราบุคคลใดก็ตามอันนั้นคือคนบ้าเพราะคนขาดสติคนไม่มีสติในเมื่อคนไม่มีสติแล้วจะสอนอะไรจะแนะนําสั่งสอนอะไรจะเข้าใจเรื่องอะไรเป็นไปไม่ได้ทั้งนั้นนี่แหละอันนี้ก็คือหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าสติเป็นภูมิธรรมที่มีอุปการะมากสติคือความระลึกได้สัมปชัญญะคือความรู้ตัว ถ้าคนเรามีสติอยู่กับตัวเองมีสัมปชัญญะอยู่กับตัวเองอยู่ตลอดเวลานั่นแหละคือจะรู้ได้ว่าข้าจะคิดดีข้าจะคิดชั่วข้าจะทำดีข้าจะทำชั่วข้าจะพูดดีข้าจะพูดชั่วสติอยู่กับตัวเองอยู่ตลอดนี่แหละอันนี้ก็คือทำที่มีอุปการะมากอตอนที่สองว่าคำที่ ทำให้บุคคลเอเป็นคนดีขันติคือความอดทนโสรจักคือความสงบส ง, งีมิมคนเราจะขาดจะขาดความอดทนจะอยากเอเป็นผู้หงุดหงิดเป็นผู้ขาดความอดทนแล้วก็ขาดขาดการสับรวมระวังกายวาจาใจของตนเออมองๆดูแล้วก็ไม่น่าดูเหมือนกัน อันนี้ก็คือหลักธรรมคาสอนของพุทธะจากนั้นท่านก็สอนว่าทำที่ควรจะประพฤติธปฏิบัติอคือทำที่มีอุปกระคือบุพภากาลีบุคคลผู้มีอุปกระก่อนอที่ทำที่หาได้ยากทำที่หาได้ยากคือทำบุพภาการีบุคคลผู้มีอุปกระก่อน และกกะตันอยู่พวกเราเมื่อท่านมีอุปการะมากมีอุปการะกับเราแล้วเราจะแสดงความกระตันอยู่กตเวทีตาต่อท่านผู้มีอุปการะผู้มีอุ ป, อปการะคุณกับเราอย่างที่พระพุทธเจ้าที่ท่านสอนประกาศพระธรรมคำสอนออกมาท่านเป็นผู้เป็นบุพการีธรรมะเราก็แสดงความกระตันอยู่อย่างที่พวกเราได้สนอเสด็จอางเมื่อกี้เนี่ยพุทธทางธรมบางสังัง สารรนางคาฉามินมโมตสะขะพระเจ้าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นและก็อิติปิสโสภควารหังสัมมาสัมพุทธเจ้ า, าพระ อ, องคนะอิคาระสพุทธเจ้าตรัสไว้จรงิงและกะ็อิติปิโสภวาระส ง, สางพุทธเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติปิโสภควาระหััมมามพาระคันกอคางสพุทธะข้าพระ้ายึดเป็นสาระเป็นที่พึ่ง ไม่มีสรรนาอื่นยิ่งกว่าเนึ่งพระหุงเวสรรังยันติอันนี้คื อ, อ, อลัทธิธรรมพระพุทธเจ้าเป็นบุพาการีบุคคลผู้มอีอุปการะก่อนพวกเราในฐานะเป็นสิทธยานุสิตเป็นพุทธบริษัทเราก็แสดงความกตัญญูกตวเวทีตาต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อย่างนั่นกาตองบิดามารดาของพวกเรา เดาว่าปุพหการีเป็นขั้นตอนปุพหการเาีเราเกิดมาจากไหนมาเกิดมาจากพ่อแม่พ่อแม่เป็นผู้มีอุปการะใช่ไหมพ่อแม่เลี้ยงดูเรามาตั้งแต่อ่อนแต่ออกเป็นยังไงเราเกิดมาจากพ่อแม่พ่อแม่เป็นผู้มีอุปการะจะวบปุพหการี บ, บุคบุคคผู้มีอุปการะก่อนอพวกเราจะแสดงความกตันอยู่กระตะเวที่ตาตด พระคุณของท่านอย่างไรต่อปีดามรรดาของเราเมื่อท่านเลี้ยงดูลงมาแล้วเราก็ต้องเลี้ยงท่านตอบทำกิจ ธ, ธุระของท่านดำรงวงสกุลประพฤตตนให้สมควรควรรับทรัพย์มรดกเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วทำบุญอุทิศ ส, สวนกุศลให้ท่านอันนี้คือผู้รู้พระคุณรู้พระคุณผู้มีอุปกระคุณสำหรับพวกเราจากนั้นก็จาฟ้าจะแผ่นดิน อย่างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมวงศ์สาุวงศ์ท่านปกครองประเทศชาติชาติไทยมานานเท่าไหร่บางยุคทางบางสมัยท่านก็ ป, ปกป้องประเทศชาติบ้านเมืองมามาให้พวกเราได้อยู่ได้สบายามีขอบเขตคันธสีมาประเทศไทยขอบเขตอยู่ที่ไหนอันนี้ก็คือเป็นมาจากไหนก็คือพระเจ้าแผ่นดินตั้งแต่หลา ย, ย, ายหลายยุคหลายสมัย แอล้มลุกค ล, ลุกคลานมาบางยุค ก, ก็โดนประเทศอื่นเข้ามาย่ายีบางทีก็นะ่ตกเป็นของเขาแต่ฟื้นฟูขึ้นมาอันนี้ก็คือการปกป้องประเทศชาติชาติไทยของเราถ้าเราได้ศึกษาประวัติศาสตร์แล้วอันนี้ก็คือเป็นผู้มีบุญคุณสำหรับพวกเราท่านทั้งหลายเหมือนกันออย่าง้าวาท่านไม่ปกป้องเอาไว้อย่างประเทศอินเดียอย่างนี้ไม่มีพระเจ้าแผ่นดิน เอกกรก็เป็นต้นศาสนาเป็นต้นพระพุทธศาสนาศาสนาหนึ่งที่ใหญ่ในอินเดียแต่ผลในสุดก็เห็นไหมเห็นแต่ซากปลักหักพังอันนี้เราไม่อยากจะพูดไม่อยากจะพูดให้กับใครหรือไม่ไม่อยากจะพูดตํำรี่ใครแต่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าผู้ที่จะส่งเสริมพระพุทธศาสนาส่งเสริมศาสนาของเราต่อทคาตกือคื อ, คอพุทธบริษัทนี่แหละ ผู้ที่จะทําลายศาสนาของเราแต่เถ้าคดก็คือพุทธบ ร, ร, ริษัทนี่แหละแต่เพราะว่าผู้จะทําลายก็ตามผู้จะส่งเสริมพุทธศาสนาก็ตามคือพุทธบ ร, ร, ริษัทของพระพุทธเจา้าไม่ใช่อื่นไกลเพราะฉะนั้นให้พวกเราเป็นพุทธศาสนิกชนเป็นพุทธบ ร, ร, ริษัทเราจะส่งเสริมหรือเราจะทําลายอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของพวกเราจะต้องทบทวนถ้าเราเห็นคุณค่าเราก็ควรส่งเสริมแต่เมื่อเราเห็นไร้ ว่าพุทธศาสนาไร้คุณค่าเมื่อไหรเมื่อนั้นเราก็พร้อมที่จะทําลายพุทธศาสนาได้โดยง่ายเพราะเหตุไรเพราะเราไม่ได้เรียนเราไม่ได้ศึกษา เ, เราอถ้าจะว่าไปแล้วก็คือเราบอด อ, อตาเราบอดทําไมคนโบราณบรรพโหรุษของพวกเราได้ศึกษามา อ, อแต่ทําไมเราไม่ได้ศึกษาศึกษาดูไม่ถึงไม่ถีถ้วนไม่ถึงแก่น ของพุทธศาสนาพุทธศาสนาสอนอะไรสอนให้ละชั่วทำดีสอนให้รู้จักละขนาดไหนละชั่วจนถึงตัดกิเลสราคะโทสะโมหะจนถึงพันิพานอันนี้คือหลักธรรมคาสอนของพุทธเนี่ยแหละอันนี้ก็คือพรเจ้าแผ่นดินเลือกพอระบรมวง v สาวกนุโฮ่งปกป้องประเทศชาติบ้านเมืองมาให้พวกเราได้ร่มเย็นเป็นสุขอย่างทุกวันนี้มิใช่ว่าพวกเราเกิดมา ในชาตินีนะ้พวกข่าเนี่ยเก่งกาจสามารถไม่มีใครหรอก อ, อที่ปกป้องมาเรานี่แหละ เ, เป็นฮีโร่เด่นที่สุดมันไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นแปลว่าลืมตัวลืมเจ้าของลืมมองเจ้าของลืมตัวเองถ้าไม่ลืมตัวเองแล้วต้องมีที่ไปที่มาทั้งหมดเ พ, เพราะพระพุทธศาสนานท่านสอนให้รู้ให้รู้จักบุญคุณเอาคนโบราณเขาจึางยกเชิดเชิดชูบูชา ในพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจา้าที่พวกเราจะทําสังฆกรรมทําเรื่องอะไรก็ตามจะไหว้พระอย่างพวกบอกเราเมื่อกี้เนี่ยก่อนที่เราจะไหว้พระเราก็นั่โมตัสสะปะขวัโตสามจบข้าไปเจ้าขอนอบน้อมเดียพระผู้มีพระภาคกระหันตะสัมมาสัมพุทธเจา้าพระองค์นั้นนัเมื่อเราจะรับศินก็เหมือนกันก่อนที่รับศินห้ า, ก, นหนาก็นัโมตัสสะเหมือนกัน จะลงอุโบสถจะลงพระปฏิโมกข์พระสงฆ์จะสวดพระปฏิโมกข์ก็ตามก็ต้องหน้าโมตตะปะภาควาโตซะก่อนหรือจะข อ, อนิสัยจากครูบาอาจารย์ก็เหมือนกันต้องหน้าโมตตะปะภาควาโตสรุปแลรกก็คือเราจะกล่าวอะไรเราก็คือนี้คือหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าบัญญัติให้เราปฏิบัติอย่างนี้เพราะพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะนั้นเราจรึงนอบน้อม ต้นศาสนาต้นพระศาสนาต้นความคิดนี้คือนโมตัสสะนี่แหละความเป็นมาของพุทธศาสนาว่าพุทธศาสนาเป็นต้นศาสนาต้นศาสนาพวกเราพวเราจะทําอะไรต้องนอบน้อมจะได้กล่าวกล่าวคํานอบน้อมคาระวะพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เสียก่อน อ, อันนี้คื อ, อความนอบน้อมพระไตสรสารนะคม การเป็นอยู่ของเราก็คือฟ้าแผ่นดินปกครองประเทศชาติจากนั้นกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราเองพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราเอพวกเราก็ไม่ใช่จะไปเรียนกับพระพุทธเจ้าในเมื่อไหรพระพุทธเจ้าปฏินญาพ่านไปแล้วเอพระสงฆ์สาวกที่ท่านรุ่นเก่าๆท่านก็ศึกผ่านไปแล้วพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราก็ได้ศึกษาอมา เป็นลำดับลำดับมาจากนั้นกับประสิทธิ์ประสั์ให้กับพวกเราแนะนําสั่งสอนพวกเราท่านก็ไม่ได้คิดอะไรพ่อยแล้วท่านเมื่อนัดแนะนําสั่งสอนบอกกล่าวแล้วกันทั้งดุดาทั้งว่ากล่าวทั้งอยากจะให้พวกเราเป็นพระที่ดีมีคุณภาพมีคุณธรรมมีศีลธรรมมีจริยธรรมที่ดีออตามทํานองครองธรรมของพระพุทธเจ้าทั้งดุดาว่ากล่าวแต่เมื่อท่านจากไปแล้วท่านก็ไปแล้ว ท่านก็ไม่ได้เรียกร้องเรียกอะไรจากพวกเร า, เ, าเมื่อเราปฏิบัติตนดีปฏิบัติชอบในตนของเราเป็นในตัวของเราคุณงามความดีทั้งหลายก็เป็นศักเป็นสีเป็นจางาลาศีสําหรับพวกเราเอาท่านก็เพียงแต่ว่าแนะนําสั่งสอนให้พวกเราเราได้ฝังเท่านั้นเองเอที่ผลประโยชน์ทั้งหลายทั้งปวงอยู่กับพวกเราเมื่อเราครูบาอาจารย์เป็นเพียงแต่ชี้หนทาง ไปมักไปทางมักผลไปทางนี้เนอะพาลูกพาหลานชนะศรัทธายาโยบไปทางนี้เพราะพระเจ้าก็สั่งเป็นผู้ชี้หนทางบอกทางแต่พวกเราเดินไปตามแนวแถวที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ชี้นำให้ฟังเมื่อไปถึงจุดหมายปลายทางก็เป็นสมบัติของเราไปเจอกองเงินกองทองเข้าเราได้รับความสุขทางด้าน จ, จิตใจโอ้พ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นผู้เมตตาเจียงหนอ ได้ชีห้หนทางให้กับเราเราเดินผาทางมาถึงจุดนี้อข้าพรเจ้าขอหน่อบนอกราบไหว้สักการะในจิตใจเพียงแค่นั้นแ่ะครูบาอาจารย์ถ้าก็ไม่ได้อะไรแต่ได้คือคนที่ได้ก็คือพวกเราท่านทั้งหลายอันนี้ก็คือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนําสั่งสอนบอกกล่าวให้พวกเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะที่หลวงพ่อกล่าวมาทั้งหมดตั้งแต่ร่นต้นมาถึงจุดนี้นะ สรุปแล้วก็คืออยากจะให้พวกเรามองการเป็นอยู่ของพวกเราว่าการเป็นอยู่ของพวกเราและการวางตัวของพวกเราและการปฏิบัติตนของพวกเราให้ถูกตามคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมทํามนองครองธรรมแนวแถวศีลธรรมของพระพุทธเจ้าที่ท่านวางเอาไว้ควรปฏิบัติตนอย่างไรพระพุทธเจ้าสอนคนอย่างไง สติสัมปชัญญะเป็นเบื้องต้นแล้วก็ให้ระวังสัมรวมตัวให้มีขัตติและกสุแระจักคือความสงบเสงี่ยมและการรู้จักบุพการีบุคคลผู้มีอุปการะเราควรจะแสดงความกระตันอยู่ตะเวที่ตาอย่างไรในท่านเหล่านั้นจากนั้นหลวงพ่ อ, อได้อธิบายว่าคนที่เป็นบ้า จะสอนคนได้เราจะสอนเขาได้เขาจะรู้เรื่องไม่ไม่ได้เพรา ะ, ะนั้นพวกนายเจ้าจังหวัดสติคือความระลึกได้สัมปะชญะคือความรู้ตัวรม ท, ที่ที่มีอุปกรณมากนี่แหละสรุปแล้วก็ไล่เลียงลงมาจนถึงว่าเราควรจะวางตัวอย่างไรในการเป็นอยู่อย่างพวกเราท่านทั้งหลายอันนี้เรียกว่าจริยธรรมศีลธรรมจริยธรรม ศีลธรรมคือกฎระเบียบการอยู่ด้วยกันจริยธรรมคือความประพฤติเอ่าก่ปฏิบัติคูรประพฤติตนอย่างไรจึงจะถูกต้องอ่ในเรื่องการเป็นอยู่ของเราแต่นี้หลักธรรมคำสอนของพุท ธ, ธนะเนี่ยไม่ใช่สอนแต่ความประพฤติทเท่านั้นนะสอนในแนวความคิดเถอเอ่าในแนวความคิดทุกคนมีความคิดอย่างไรคิดยังไงเป็นมิจฉาทิฏฐิคิดยังไงเป็นสัมมาทิฏฐิ แต่ที่พอมาถึงความคิดเนี่ยนะพวกเราก็ต้องงงแลนะ้วไงเพราะเราความคิดมันคืออะไรความคิดน่ะนามธรรมาา ม, มันมองไม่เห็นด้วยความคิดแต่รูปธรรมที่จะมองเห็นที่ของพ่อพูดให้ฟังก่อนหน้านี้คือพูดถึงรูปธรรมคือเรื่องศีลคุณธรรมศีลธรรมจริยะแต่บัดนี้มาพูดถึงเรื่องนามธรร ม, าามแต่นามธรรมคํานี้ในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจา้าท่านให้ความสําคัญอย่างมากเป็นเบอร์หนึ่ง ในหลักธรรมคาสอนท่านทำไมจึงพูดอย่างนั้นท่านตรัสไว้ว่ามะโนปุพังขมาธรมามโนเศรษฐามโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วด้วยใจใจนั่นคืออะไรมโนนั่นคืออะไรก็คือแนวคือความคิดความคิดความนึกคิดนี่แหละตัวนี้แหละเป็นตัวสำคัญในหลักของพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าไปค้นคว้าศึกษาถึงหปีไปดูจริยธร จะได้ตัวนี่แะตัวนึกคิดตัวนี้แหละตัวมโ น, โนตัวนี้แหละตัวใจตัวนี่แหละที่ว่าไปค้นคว้าศึกษาเรื่องจิตวิทยาเรื่องจิตศาสตร์เรื่องจิตศาตตสาตร์เรื่องจิตใจความนึกคิดของจิตใจที่ไปค้นคว้าศึกษาอยู่ที่โครนต้นโพไปศึกษาจัง6กปีลองถูกรองผิดจดภักกาหารเกือบเอาตัวไปรอดถึงสี่สิบเก้าวัน นี่ละจนได้ตัดรู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในตัดรู้นั้นหลวงพ่อก็ได้พูดให้ฟังไม่ลู้กี่ครั้งตุกี่หนทพกเราฟังศึกษาในเอ็มพสามของหลวงพอ่อพระพุทธเจ้าท่านได้ตัดรู้ในคืนวันเดือนหกเพนะตัดรู้อะไรอันนี้ก็คือที่ท่านได้ตัดรู้ทั้งจากนั้นท่านก็ประกาศประกาศพระธรรมคำสอนออกมาเมื่อประกาศพระธรรมคำสอนออกมา ออกมาแล้วพระสงฆ์สาวกก็ น, นําพระธรรมคําสอนของพระเทเจ้าออกมาประกาศเผยแผ่จนถึงหลวงปูเ่เสาหลวงปู่มัน่นหลวงตามหาปูวหลวงปู่ล่าที่เป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราขณะนั้นจากนั้นก็แนะนําสั่งสอนพวกเราในอย่างหลวงพ่อเนี่ยเข้าไปศึกษากับครูบาอาจารย์เมื่อได้ศึกษาแล้วหลวงพ่อก็ น, นําคําสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่หลวงพ่อได้ศึกษาได้เรียนรู้ได้ปฏิบัติมา ได้ประสบการณ์ด้วยตนเองอีกต่างหากจากนั้นก็เอามาขยายผลให้กับพระลูกห ล, ล, ลานน้องน้องนุ่งนุ่ของหลวงพ่อตลอดถึงพี่น้องประชาชนที่มาเกี่ยวข้องหลวงพ่อก็แนะนำสั่งสอนบอกกล่าวว่าได้ศึกษามาอย่างนี้นะหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่สั่สอนสอนอย่างนี้นะหลวงพ่อก็ได้ทั้งทั้งมีทั้งหนังสือพีทังเอ็มพีสา ให้กับพวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษาจากนั้นพวกเราฟังดูสิแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นที่หลวงพ่อบอกแล้วบอกอีกว่าอย่าไปเชื่อที่หลวงพ่อพูดทั้งหมดนะอย่าเชื่อแต่ต้องวิเคราะห์ซะก่อนต้องใช้ปัญญาตัวเองวิเคราะห์ซะก่อนขนาดภาษาริบุตรเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าแทๆ้ๆยังไม่เชื่อพระพุทธเจ้าถ้ายังไม่แนะนําไปปฏิบัติพระองค์ตรัสมาดูก่อนสาริบุตร ที่เราตถาคตพูดไปนตรัสไปนี้เนะ่ยเธอเชื่อไหมภาษาเรบุตรกราบทูลพระพุทธเจ้าว่ายังก่อนพระเจ้าค่ะเพราะข้าพระองค์ยังไม่ได้นําไปปฏิบัติในเมื่อข้าพระองค์นําไปปฏิบัติรู้ผลรู้เหตุผลอย่างไรข้าพระองค์จะกลับมากลับทูลพระพุทธองค์เมื่อภายหลังไะอันนี้แหละหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าไม่ท่านไม่ได้สอนให้เป็นเอว่าตามเชื่อไปตาม ท่านไม่ได้สอนให้เชื่ออย่างเดียวนะศรัทธาคือความเชื่อก็จริงอยู่แต่เมื่อเชื่อไปแล้วก็นําไปปฏิบัติซะก่อนในเมื่อปฏิบัติแล้วนั่นแหละผลแห่งการประพฤติปฏิบัติของตนเป็นมาอย่างไรจากนั้นแ่ะจึงเป็นผลสมเป็นสมบัติของตนเองเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะที่มาศึกษาธรรมะเราปหลักธรรมคาสอนของพุทธะไม่ได้สอนให้คนเชื่อทีเดียวไม่ให้สอนเออปฏิเสธทีเดียวแต่พระองค์ตรัสว่า ผู้ที่มาผู้ที่มานับถือพุทธศาสน า, สาศาสนาของเราตถาคตจะคาดคะเนเดาป ร, ประมาณการวิเคราะห์ไม่ได้ต้องปฏิบัติเท่านั้นจึงจะรู้ได้ถ้าผู้ลงมือปฏิบัติจึงจะรู้ได้ว่าหลักธรรมคาสอนของเราตถาคตนั้นเป็นอย่างไรแต่เพียงแตมาวิเคราะห์ปมามาประมาณการเอาเท่านั้นไม่ได้อันนั้นไม่ใช่ไม่ใช่หลักธรรมคาสอนของเราตถาคต ของคำหลักธรรมคาสอนของตถาคตนต้องประมงมือปฏิบัติลงมือปฏิบัติอย่างไรทีนี่ที่พระพุทธเจ้าสอนพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านก็นํำทำคําสอนของพุทธนะมาบอกว่าลงมือปฏิบัตินั้นจะเอาตัวอย่างพระพุทธเจา้าที่ท่านได้ตัดสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณท่านทําอย่างไรจากนั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านก็มาแนะนําสั่งสอนพวกเราว่าพระพุทธเจา้าท่าน สอนว่าให้นั่งคัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายอย่างพระพุทธปฏิมาที่พวกเรามองเห็นนี่แหละนั่งอย่างนี้แหละนั่งสมาธินะที่จะดูรู้พิสูตรว่าตัวใจของเราเป็นยังไงหลักธรรมเป็นยังไงหลักพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าที่มีความมุ่งมั่นเน้นหน่ะสุดจุด จุดยอดของพระพุทธศาสนาจุดที่พระพุทธเจ้าต้องการจุดที่พระพุทธเจ้าเอสอนเวพุทธบริษัทสี่ของพระองค์เอลยคล้าว่าเป็นจุดที่สูงสุดจุดจุดยอดอคืออะไรวิธีการที่จะถึงเดินถึงจุดนั้นทําอย่างไรนี่พระองค์บอกว่าให้นั่งคัดสมาธิหลับตาอจากนั้นก็ให้ กำหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกมีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าหายใจออกนั่นอันนี้คือพระพุทธเจ้าแต่ตรัตรู้ในวันเดือนหกเพนในโขนต้นโพกแต่ทีนี้พ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นของพวกเราแต่นำสั่งสอนสิทธิานุสิตของท่านคือสายนี้มีทั้ง หลวงปู่ขาวหลวงปู่เทศหลวงปู่แหวนเอ่อหลวงปู่ฟันหลวงตามหาบัวหลวงปู่ล่าหลวงปู่ชาหลวงปู่ต่างๆที่เป็นสิทธิ์ยาวด้วยสิทธิ์ของหลวงปู่มั่นเอ่อหลวงปู่แหวนกัรล้วนแล้วแต่เป็นเสียงเดียวกันว่าหลวงปู่มั่นเอ่อท่านบอกว่าถ้าว่ากาหนดลมหายใจเข้ารัว่าหายใจเข้าหายใจออกรัวหายใจออกมันหลุดได้เร็ว มันเผลอได้เร็วเอ่อเพอเพอบริกรรมไปหน่อยหนิมันก็หายไปมันหลุดควรจะสมทับกับพุทธโธเข้าด้วยนะเวลาหายใจเข้าบริกรรมพุทหายใจออกบริกรรมโธแต่พระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตัดรู้ในวันเดือนหกเพจ น, นท่านกำหนดแต่ลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกมีสติสมปะชัญญะในลมหายใจเข้าออก จากนั้นพระไทยใจของพระ อ, องค์ความรู้สึกนึกคิดของพระ อ, องค์รวมสงบลงเป็นหนึ่งเกิดญาณรัตน์ขึ้นมาเป็นอันดับแรกเราว่าปุเพนิวาสานุจติยานละลึกชาติโหนหลังได้เนี่แหละหลักของพุทธศาสนาให้ฟังเอาไว้จุดนี้ว่าตายแล้วไม่สูญถ้าตายแล้วสูญพระพุทธเจ้าจะละลึกชาติโหนหลังได้ยังไงเมื่อเราเกิดมาวันนี้วันเดียวเมื่อวานไม่มีเราจะละลึกได้ไหมไม่เมื่เมือม่อไม่มีเมื่อวานเราเกิดมาวัวนนี้วันเดียว นี้เราเกิดมาหลายวันเราระลึกถึงเมื่อ ว, วานวันก่อนเดือนก่อนปีก่อนต่งเยอะแยะยาวเหยียดไปหมดนอันนี้พระพุทธเจ้าท่านมียานรศนะความรู้พิเศษไม่ใช่แต่เพียงชาตินี้ชาติเดียวระลึกชาติทวนหลังได้อีกต่างหากยังว่าปุกเพรนิวาสารุจติญาณพอถึงเที่ยงคืนจุตูปปาตาญาณพอจนสว่างได้อาสาวัคยายา ญาณอย่างรู้ว่าเราหมดกิเลสแล้วชาตินี้เป็นชาติจุดท้ายของเราแล้วสิ่งที่เราจะมาให้มาเกิดเวียนว่ายตายเกิด น, นั้นคือกิเลสราคะโทสะโมหะเรากําจัดออกจากพระภัยใจของเราหมดแล้วเราเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วสิ่งที่จะทําให้เราเวียนว่ายตายเกิด น, นั้นเรากําจัดออกหมดแล้วเพราะฉะนั้นชาตินี้เป็นชาติจุดท้ายของเราอันนี้คือพระพุทธเจ้าประกาศในวันเดือนหกเพนจวนสว่างวันนั้นนะ อันนี้คือคือหลักธรรมคำสอนของพุท ธ, ธะจะได้มาพูดถึงพ่อแม่รู่าอ า, ารย์ของเราท่านแหมบริกรรมกรรมฐานหายใจเข้าพดหายใจออกโทอย่าให้มันเผลอถ้ามันเผลอแลดึงกลับคืนมาแล้วก็ให้อยู่ที่ปลายจมูกอย่าให้ไม่ต้องตามหลงเข้าไปในท้องและไม่ต้องตามลงออกไปข้างนอกให้เสมือนว่าเรายืนอยู่ข้างประตู เวลาคนเข้ามาเราก็รู้ว่าขนเข้าเวลาคนออกไปเราก็รู้ว่าคนออกไม่ต้องตามคนออกไปไม่ต้องตามคนเข้าไปในในข้างในศาลาเพียงต่รู้ว่าคนเข้าคนออกคนเข้าคนออกมีสติสัมปะชัญญะเพียงเท่านี้ลหละคืออันนี้คือสมถะที่จะทำจิตใจให้สงบไม่ให้จิตใจปุ่งฟุ้งไปทางอื่นบังคับให้มันอยู่กับที่ปลายจมูกเท่านั้นอันนี้คือ สมมติฐคือเบื้องต้นที่ว่ากำหนดที่จะตับจับตัวผู้รู้จับตือตัวใจของเราเนี่ยที่ทําให้จิตใจเป็นสมาธินะีน่นี่แหละคือวิชิตกุญแจดอกแรกที่จะเดินเข้าไปสู่มรรคสู่ผลคือสติฟังเถิดนะสติสัมปชัญญะสติคือความระลึกได้สัมปชัญญะคือความรู้ตัวที่ว่าทำทำมี ท, ท, ท, ท, ท, ท, ท, ที่ที่มีอุปการะมากนะที่หลวงพ่อพพูดเบื้องต้น ทำที่มีอุปกรณ์มากสองอย่างสติคือความะระลึกละระลึกได้สัมปะชัญญะคือความรู้ตัวอันนี้เรานํามาใช้สติกับสัมปะชัญญะสติคือความะระลึกได้อยู่ที่ปลายจมูกสัมปะชัญญะคือความรู้ตัวอยู่ว่าจิตของเราอยู่ที่ปลายจมูกกําหนดลมหายใจเข้าบริกรรมพุทหายใจออกบริกรรมโธจากนั้นพุทโทพุทโทพุทโธเมื่อจิตใจของเรารวมสงบลงเป็นหนึ่ง จิตใจไม่ทะเลถ่ายถลายไปทางอื่นเพราะบอกเราบังคับให้อยู่ที่ปลายจมกูกจากนั้นใจของเราก็จะเข้ารวมเ ข, าเข้าสู่ความสงบปเป็นอคเนกะอุปจาระอปปนาสมาธิหรือจะงหวะฌ า, านก็ได้สุดแท้แต่สุดแท้แต่เราจะเรียกจุดนั้นถึงจะเรียกไม่เรียกยังไงเมื่อเป็นไปตามธรรมชาติของมันใจิตใจสงบเป็นยังไงอันดับแรก คณิกะสมาธิ จ, จิตใจรวมสงบเสีย์เสียดอุปจารสมาธิ จ, จิตใจสติกับจิตควบคุมกันอยู่จะว่าฌานปฐมฌานตติยะฌานกระสุดแทแต่จะว่าฌานฌานเป็นผลพลอยได้จากสมาธิถ้าจิตใจไม่รวมสงบไม่เป็นสมาธิจะก่อนฌานอย่าหวังเลยฌานจะเกิดขึ้นมาได้พราะพระองค์บอกว่าสมาธินะมาก่อนสติสัมปะชัญญะมาก่อน เมื่อจิตสติสัมปะชัญญะมาแล้วเมื่อจะจิตเมื่อจิต เ, เข้าสู่ความสงบแล้วญาลักษะฌานาเกิดตามมา mm. เพราะฉะนั้น mm. พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านจึงไม่ได้เน้นเรื่องฌานที่หนึ่งฌานที่สองฌานที่สามฌานที่สี่ท่านไม่ได้ไล่เพราะพวกเราไล่ขึ้นไปก็ง ง, งเหมือนกันอผู้ที่ไม่ภาวนาท่านอาจจะจริงจะรู้ว่าฌานนั้นฌานนี้มีแต่ พ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราไม่แต่ทําจิตให้สงบเพราะจิตสงบแล้วเอะนี่ก็อุปจาระอัปปนาเพราะจิตสงบเน่งลงไปนิ่งขนาดไหนวะสติเป็นอันใดจิตเป็นอันนั้นจิตเป็นอันใดสติเป็นอันนั้นนี่แหละที่ว่าจิตสูงสุดของสมาธิไม่เกินกว่านี้อันนี้คือจิตที่สงบที่เป็นอัปปนาสมาธิไม่เกินกว่านั้น จากนั้นบางคนก็ว่าเมื่อจิตสงบเข้าไปแล้วจะเกิดวิปัสนาครูบาอาจารสายกรรมฐานหลวงปู่มัน่นหลวงตามหาบัวบปวาอย่าหวัง อ, อท่านบอกเลยอย่าไปคิดว่ามันจะเกิดเป็นวิปัสนาขึ้นมามันสงบมันก็สงบอยู่นั้นแหละเราต้องบังคับให้มันออกเดินวิปัสนามันจึงจะเป็นวิปัสนาได้ อ, อถ้าจะให้มันออกเองไม่มีทางหรอก เหมือนกับคนเข้าไปอยู่ในห้องแอร์ไปออดมันอยู่ในความสุขแล้วก็มมองไม่เห็นผลประโยชน์ที่ตนเองจะได้รับมันทำไมจะเดินไปออกไปหาทำไมออกไปหาหาทุกทำไมมันอยู่ในห้องแอร์มันสงบมันมีความสุขกว่าแต่ว่ามันถ้าว่าคนมีผู้แนะนำว่าเมื่อคุณอยู่ในห้องแอรนะ์นั้นต่อไปค่าไฟฟ้าคุณจะไม่มีนะ้มันหมดนะอยู่ในห้องแอนะร์นั้นผลที่สุด ถ้าคุณไม่หาเงินมามาเลี้ยงตัวเองมาจ่ายค่าไฟเนะ่ยคุณอย่าหวังเลยคุณจะได้อยู่ในห้องแอร์นี้ตลอดไปคุณจะต้องทุกข์นะนั่นแหละถ้ามีผู้แนะนำบอกกล่าวอย่างนั้นน่ตัวเองอย่างชายเงินก็หมดไปหมดไปผนละนิสโชก็ต้องออกจากห้องห้องแอร์ไปทำงานนั่นแหละทีนี้พอไปทำงานเท่านั้นเห็นผลงานขึ้นมา เงินเป็นกอบเป็นกรรมขึ้นมาโอ้ถ้ามีเงินแล้วเราจะื้อซื้ออะไรก็ได้นีเราจะทำอะไรก็ได้นี่นะวิปัสนาพอออกเดินออกไปแล้วนี่อย่างครูบาอาจารย์ถ้าไม่มีครูบาอาจารย์แ น, นะนำเตลิดเปิดเปิงเลยมิต่หาเงินอย่างเดียวเนีะนีอจนไม่มีเวลาพักผ่อนไม่มีเวลาอยู่เวลากินมีแต่หาเงินเพื่อไม่ให้เสียเวลาในการหาเงินท่านก็บอกว่า ถ้าอย่างนั้นอีกไม่นานจอดอีกตายอีกเพรา้อะไรเพราะไม่มีเวลาพักผ่อนต้องเข้ามาพักผ่อนในสมาธิอนี่แหละในบังคับให้มาไม่ไม่ออกไปตลอดเปือเปล่งไม่ได้ต้องบังคับให้มันเข้าสมาธิให้ได้ในเมื่อเข้าสมาธิได้แล้วเออแล้วก็ออกพิจารณาเป็นครั้งต่างกล้ำต่างวาระเมื่อพิจารณาแล้ว ก, กลับมาสมาธิเมื่อการบไออกไปพิจารณา เมื่อพิจารณาออกสมาธิให้ายๆว่าคนเราต้องกินข้าวแล้วก็นอนพักผ่อนจะนั่งออกไปทำงานพกทำงานเหน็ดเหนื่อยกลับเข้าม า, ากินข้าวพักผ่อนอันนี้คือในหลักธรรมคำสอนของพุทธะพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็ลักษณะเหมือนกันเมื่อพิจารณาพิจารณาอะไรทีรนี่ไปทำงานทำงานอะไรท่านบอกว่ากรรมฐานห้านี่ เป็นเบื้องแรกเกษาพิจารณาผมโลมาขนนาขาเล็บทันตาฟันแต่โจหนังมังสังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกอย่างที่พวกเราได้สวดเมื่อกี้นะเนี่ยในร่างกายของเรามีอะไรบ้างมีกระดูกเป็นโครงสร้างมีตับมีปอดมีอะไรที่เล่าไล่เลียงไปมเีเลือดมีไขมัน ในอวัยวะมีอุดจละมีปัจฉวะในร่างกายของเราจริงไหมเราปฏิเสธได้ป่าวว่าที่พูดไปนั้นไม่จริงถ้าเราคิดดูอย่างนั้นไม่จริงตามหลักแนวแถวของพุท ธ, ธเราจงยอมเราผิดจริงทุกอย่างเจสาผมก็อยู่ที่ผมโลมาขนนขาเล็บทันตาพันตะโจหนังมังสังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกแต่สิ่งเหล่านี้เป็นอสุภะใช่ไหมเป็นของสวยงามจีรงังถาวรใช่ไหม ถ้าผู้มีกิเลสก็บอกว่าใชา่แต่ว่าผู้ที่ทําจิตผ่านความสงบมาแล้วนั้นจิตที่ผ่านความสงบเป็นหนึ่งมาแล้วนั้นที่เป็นอัปปนาสมาธิมาแล้วนั้นมาพิจารณามันจะเห็นชัดเจนเป็นตามความเป็นจริงเลยเมื่อพิจารณาถึงร่างกายของเราพิจารณาถึงความตายมรณะออมรณะคือความตายข้าต้องตายใช่ไหม เ, ออเมื่อจิตผ่านสงบไปแล้วมันจะไม่ปฏิเสธท่ายตายแน่คนอื่นตายให้เราเห็นอยู่แล้วเราจะไม่ตายอย่างนั้นเป็นไปไม่ได้ตายแน่แน่จริงไม่ให่ยอมรับไหมผู้รู้ใจของเราที่ผ่านความสงบไปแล้วนั้นเราก็ต้องยอมรับว่าใช่ปฏิเสธไม่ได้ความนี้นเป็นความจริงจริ ง, รงทุกคนต้องตายในเมื่อตายท่า น, นบอกว่าร่างกายของเรามีธาตุมีธาตุสีนะดินน้ำลมไฟอยู่ในร่างกายของเรา อันไหนเป็นของแข็งกระดูกเนี่ยเป็นธาตุดินธาตุน้ําก็คื อ, คอน้ําปัสสาวะน้ําเลือดเหล่านี้อันนี้คือธาตุน้ําธาตุลมลมหายใจเข้าหายใจออกลมในลําไส้ลมในท้องของเราในช่องที่ว่างอันนี้ธาตุลมธาตุไฟคือทําไรฮะให้ร่างกายอบอุ่นเผาอาหารให้จ่อยทําให้ร่างกายมีเหงื่อออกเพราะธาตุไฟถ้าไม่มีธาตุไฟร่างกายเย็นร่าง ร่างกายของเราเย็นเสียบคนก็ตายถ้าไม่มีธาตุน้ำน้ำแห้งออกจากร่างกายคนก็ตายถ้าลมหมดลมหายใจเข้าออกคนก็ตายแต่ธาตุดินเป็นพื้นธาตุทตั้งสามนะ่ะอาศัยธาตุดินธาตุดินเป็นพื้นอยู่ตัวผล ท, ที่สุดนานไปธาตุดินก็แตกสลายกลายเป็นดินน้ำลมไฟไปกายมันออกไปใช่ไหมใจ้าจิตใจผ่านความสงบ เป็นหนึ่งมาแล้วใจก็ยองยอมรับว่าใช่ไม่เป็นอย่างอื่นเป็นธาตุสีแน่แน่ถ้าเป็นพูดเป็นภาษาบาลีบอกประตวีธาตุคือธาตุดินอาโปธาตุคือธาตุน้ําเตโชธาตุคือธาตุลมเตโชธาตุคือธาตุไฟวาโยธาตุคือธาตุลมนี่แหละร่างกายของเรามีอยู่สี่ธาตุเชมัยใจตัวผู้รู้ที่ผ่านความสงบไปแล้วนั้นก็ใช่ ถูกต้องร่างกายของเราเป็นอสุภาปฏิกูลนะใจนะเกษาผมโลมาขนหน้าขาเล็บฐันตาฟันแต่โจหนังมังสังเนื้อเอ็นกระดูกมันอยู่ในร่างกายของเราใช่ไหมใจใจผ่านความสงบไปแล้วนะใจก็ยอมละวัชายในร่างกายของเราถ้าแยกส่วนแบ่งส่วนถ้าฉาแหละออกมาเป็นกองกองออกมามันอย่างนั้นจริงๆถ้าเขาฉาแหละเหมือนอาจารย์ใหญ่ในโรงพยาบาล ถอนผมออกมาถอดเล็บออกมาถอนฟันออกมาถลกหนังกองไว้ชำแหละเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกตับผังผืดไตปอดเป็นกองเป็นกองนี่ร่างกายของเราใช่ไหมใจถ้าเราชำแหละอย่างนั้นใจที่ได้รับความสงบผ่านมาแล้วใจขอยอมเล่า ว, ว่าใช่เป็นอย่างนั้นจริงๆในเมื่อร่างกายสังขารของเราเป็นอย่างนี้ใจของเรายังคิดอยู่แล้วว่าร่างกายเป็นของเรา เราจะตายไม่เป็นเราจะอยู่ชั่วฟ้าดินสลายอย่างนั้นใช่ไหมใจเออต่ น, นี้ใจสอนใจนะทีนี้ความรู้นึกคิดเข้ามาสอนตัวผู้รู้ขนาดร่างกายยังไม่ใช่ตัวตนของเราร่างกายของเราแท้แท้ยังไม่ใช่ตัวตนของเราและพ่อแม่พี่น้องลูกหลานวงศาคนาญาติประเทศชาติบ้านเมืองเงินคำทรัพย์สมบัติทั้งหลายทั้งปวง มันจะเป็นของเราได้อยู่เหลือใจแต่นี่มันมาหาใจดิขนาดร่างกายยังไม่ใช่ตัวตนของเรานั้นนอกจากกายแล้วยังจะเป็นใจใ จ, ใจของเราจะจะไปยึดว่าเป็นของเราอย่างนั้นใช่ไหมใจใจมั่งกว่าชูขนาดร่างกายยังไม่ใช่ของเราเราจะไปยึดสิ่งเหล่านั้นมาเป็นของเรามันก็ชุดยึดแบบลุมหลุมแรงแรงนี่แหละใจที่ผ่านความสงบมาแล้วเน่ะมันจะรู้แจง้งเห็นจริงเข้ามาถูใจ จากนั้นก็มาดูที่ใจอีกทีนี่ดูที่ใจดูตัวผู้รู้อย่างเดียวทีนี่เอ้มันอยู่ที่ใจมันมีอะไรมันก็วิ่งรดิกรุดึกรดิกรุดิ ก, ดด ก, ดดกเอี่ยมอยากจะออกไปมันดูตัวนี้กันเนี่ยนะนึกคิดอในเรื่องต่างๆที่เขามาสู่จิตใจตัวนี้แหละตัวดุกรดิกรุดิกในจิตใจนะเ น, นี่ยมอยากจะออกไปมันดูตัวนี้กันเนี่ยนะนึกคิดในเรื่องอาา่างๆที่เขาสิ่งิตใจตัวนี้แหละตัุกรุิกรุดิกเรี่ยมก สิ่งไหนเป็นทุกสิ่งนั้นไม่ใช่ตัวตนของเราปฏิเสธกระทั่งตัวผู้รู้คือใจใจไม่ใช่ตัวตนครอบเพราะมันเป็นไตรลักษณ์อยู่นี่แหละในเมื่อปฏิเสธถึงใจถึงขนาดนั้นแหละความหลุดพ้นอความเบื่อหน่ายคลายหลุดพ้นไม่ยึดมั่นถือมั่นก็อยู่ในจิตใจเมื่ออยู่จิตใจไม่ยึดมั่นถือมั่นนั่นนหะมันมีความรู้อีกมิติถึงขึ้นมาเอเหมือนกับเราแต่ก่อนเราไม่รู้กอไก่ขอไข่ A B C D หรือ ว, วิชาต่างๆเมื่อเราไม่รู้เมื่อเราเรียนรู้แล้วความโง่หรือความไม่รู้มันหายไปไหนมันก็หายไปต่อที่สิ่งที่มันรู้ขึ้นมาแล้วสิ่งที่มันไม่รู้ก็หายไปนี้ก็เหมือนกันที่เรารู้แจ้งเห็นจริงขึ้นมาแล้วสิ่งที่โง่เง่าเต่าตุนทั้งหลายตัวอวิชชาคือกิเลสราคะโทสะโมหะก็หลุดออกไปจากจุดนั้นจุดที่มันรู้นะ่ะเพราะนั้นธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้า ไม่ดยู่ที่ไหนมาหาสู่จิตใจถึงจะบําเพ็ญอย่างไงเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องภาวนาเรื่องจริยธรรมคุณธรรมอย่างที่พงพ่อไล่เลี้ยงมาทั้งหมดมันเข้ามาถึงจุดนี้แล่นี่แหละจุดจบของผมมจันต์จุดจบจุดจบของพระพระธรรมคําสอนของพุทธะอยู่ที่ใจใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้ารู้ที่ใจปล่อยวางที่ใจเมื่อพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณในจุดนี้ท่านรู้แจ้งเห็นจริงในจุดนี้พุทธองค์ใจเป็นพุทธะท่ะทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นพุทธะร่างกายก็เป็นพุทธะพุทธบริษัทก็เป็นพุทธะวัดวาศาสนาก็เป็นพุทธะเพราะเหตุไรเพราะพุทธเพราะใจของพุทธเจ้าเป็นพุทธะเนี่ยนี่แหละท่านให้ความสําคัญเรื่องของใจอย่างที่หลวงพ่อได้พูดว่ามโนปุพังขมาธรรมามโนเสรษฐามโนมายา เรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสาเร็จแล้วด้วยใจเพราะนั้นคอยให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านได้ยินได้ฟังนำไปการกลองไตรตรองด้วยเหตุและผลวันนี้หลวงพ่อได้อธิบายในแนวธรรมคำสอนของพุท ธ, ธะให้กับพวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังอ้างเหตุผลให้พวกเราท่านทั้งหลายเข้าใจในเรื่องหลักธรรมเป็น ขั้นตอนมาถึงจุดจบของผมอาจรรย์ของพุทธะนะการกล่าวและการแนะแนววันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาขอยุติต่อนนี้ไปนั่งสมาธินะภาวนาเวลานั่งฟังเทศไม่ต้องส่งเสียงส่งใจไปหาเทศหรอกให้สติอยู่กับตัวเองบริกรรมพุโทโธพุธโทโธเสียงมาเข้าหูเสียงมาเข้าหูก็เข้าใจเสียงมาหูก็เข้าใจเข้าใจเข้าใจเข้าใจนี่แหละวิธีการฟังเทศนะ ให้ไม่ต้องสงออกไปข้างนอกให้อยู่กับตัวเองนะเอาเปิดได้นะ